รบัญญัติหน1ก็ภิกษุณีใดใช้สิกขาโนาใช้สมมเนรีใช้ยิงเครื่อหัดให้บีบหรือให้นวดต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ